เรามีความสำคัญมั่นหมายไหมว่นนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสั ญ, ญลักษณ์ของพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเนี้ยนะเขาว่าพระธาตุพระพุทธเจ้าเ้าเออขอพระพุทธเจ้าเรากราบเราได้บุญแล้วเนาะถ้าเรามัาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ได้บุญหรอกนดอ า, ากุศล น, นะในคำพีธรรมบทนะอัตคถาธรรมบทเนะคยพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินองนึงทบุญนะชอบใส่บาตร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 อที่ผ่านมาเหมือนว่ามันอะไรมันห่างออกไปอีกอะคะอ่ะหลวงพ่ออะไรมันห่างก็ช่างมันก็ดูไปนะร่างกายก็ห่างๆความสุขความทุกข์ก็ห่างๆกุศลอกุศลก็ห่างๆนะโรค ก, ก็ห่างๆออกไปพอโลกห่างๆออกไปทุกข์ก็ห่างออกไปด้วยก็ <c oughs> โลกนั่นแหละตัวทุกข์ <c oughs> ลูกประธรรมนามธรรมนั่นแหละคือโลกลูกประธรรมนามธรรมนั่นแหละคือสัตว์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 ความสุขอันนี้เป็นความสุขที่มันหลอกอมันล่อเราให้ขี้เกียจที้คลั้นให้<ต>พอใจมันรู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้ค่ะหลวงพ่ อ, อนั่นแหละ<ก>อย่าท <ำ S 1> <ป>้อใจทําไปนั่นแหละที่ว่าทําไม่ได้นั่นแหละทำไปเมืนะ่มันจะหลอกเรานะั่นทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรหรอกนะอยู่อย่างนี้แหละสบายมันจะหลอกเรานะเนี่ยกับดักของมารมารฉลาดนะมารไม่ใช่โง่นะมารฉลาดจริงๆหลอกให้เราเลิกปฏิบัติลูกเดียวเลยนะ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 พันใดนั้นเองเนลูกกาลังสบายสบายก็ลูกไม่แน่ใจมันเห็นเหมือนตัวลูกเนี่ยดีด่างออกไปอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้า ม, มนะคะเหมือนทุกอย่างเลยก็ตกใจเพราะว่าแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาทําท่าทํา ท, า, ท, า, ทางกําลังแรลงฟันเหยียดแข้งเหยียดขาเหมือนลูกก็เลยตกใจพงะก็แวบหายไปหลังจากนั้นลูกก็ไม่ย่อท้อเห็นไปครั้งเดียวอะคะ่ะก็ฝึกคือสอนเขาไปเรื่อยๆ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 กลาบมัสศการหลวงพ่อคะ่ะหนูมาตอนปีใหม่ะคะมกรานะคะหลวงพ่อหนูก็ได้เรียนหลวงพ่อว่าปลายปีธันวานี่งานเยอะมากแล้วก็ เ, เครียดเรื่องลูกน้องอะไรต่างๆหลวงพ่อก็ได้บอกหนูไปว่าให้เป็นกลางคะ่ะหนูก็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 จิตใจเรากังวลในร่างกายจิตใจก็ไม่สงบอย่างนี้ก็มีนะร่างกายไม่สบายมันก็ทาให้จิตใจเครียดๆไปด้วยอย่างนี้ก็มีอนะีกอย่างหนึง่งร่างกายก็ดีจิตใจก็ไม่ได้เป็นอะไ ร, รอยู่ๆไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์แล้วก็บังคับจิตใจจะให้สงบอย่างนี้จิตใจก็เครียดได้เหมือนกันะนะไปดูนะมีหลายแบบไปสังเกตเอาเอาเบอร์ห้ส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 แล้วหนูข อ, อ ก, กันบ้านที่ว่าให้ทำอเลยทเหมือนเดิมเลยนะดูกายไว้<ช>จะเห็นจิตชัดขอคบคุณค่ะ1้6บางคนดื้อ น, นะบอกให้ดูกายก็เถียงจะดูจิตคนบอกให้ดูจิตจะดูเวทนาดื้อยอย่างนั้นสอนยากนะไหนเบอร์อะไรเบอร์อะไรกามนัษการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์จำหนูได้ไหมคะจำไม่ได้ดอกหนูที่โดนไฟไหม้เมื่อคราวที่แล้วอะค่ะ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 กรรมนวัตกรารหลวงพ่อคะ่ะข อ, อการ์ดค่ะคือตอนนี้ก็ติดประคองอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็จะเห็นมีตัวนิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก <c oughs> ็บางบางทีก็ติดเฉยเวลาจะสังเกตว่าจะเห็นอาการนี้เวลารู้สึกว่าอยากปฏิบัติ <c oughs> แต่ว่าอาการประคองดีกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งปีที่แล้วส่งหลวงพ่อครั้งแรกๆจะเป็นก้อนใหญ่ๆที่กั้นหน้าอกดี <c oughs> <c oughs> ขึ้นแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ส่งเมื่อสิงหาปีที่แล้วก็โมหะเยอะแล้วก็จิตมัว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 กลับมาเมืองไทยแล้วจะรู้สึกว่าฟุ้งซ่านกับเหม่อบ่อยมากค่ะหลวงพ่อทำไมงั้นล่ะเหมือนอยู่ที่เยอรมันมันจะแบบสงบกว่านี้ค่ะหรอท่นอยู่เยอรมันไปนานแต่ว่าก็อยากจะขอคำแนะนาจากหลวงพ่อให้มีสตินะรู้สึกตัวบ่อยๆนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราจิตใจสงบกรู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีจิต้ายรู้ลูกเดียวเลยนะ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 คือคือหนูปฏิบัติตามหลวงพ่อมานานแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้ถามเพราะว<อ><ร>่าหลวงพ่อว่าลูกศิษย์ที่ดีไม่ควรจะถามเฮ้ยทําไมละ่ะลูกศิษย์ที่ดีไม่ควรถามพล่ําเพื่อคือ <c oughs> นี่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่มีโอกาสแล้วนะคะอะนูตั้งใจว่าวันเข้าพรรษาเนี้ยจะปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างมีวิ น, นัยเพราะที่ผ่านมาไม่มีวิ น, นัยแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีคําแนะนําอะไรก่อนที่หนูจะปฏิบัติอย่างจริงจังไหมคะเมื่อตั้งใจแล้วเมื่อตั้งใจแล้วต้องทําให้ได้นะ